อันนี้ก็เป็นวันที่สองของเร น, นมิตรนาเรีนมีนาใช่ไหมเป็นมีนาแต่คนที่เป็นวันที่หนึ่งการสอนในวันที่สองมาเที่ยวนี้ก็ขอพูดเรื่องง่ายๆเพื่อไปการวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆการปฏิบัติแบบง่ายก็ถือตัวอย่างบุคคลที่ทำมาแล้วอย่างเมื่อคืนนี้ ได้พูดถึงพุท ธ, ธานสุสติถ้าท่านไม่สามารถจะเข้าถึงไตรสนาคมได้ครบเพื่อมีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงเคารพพระธรรมจริงเคารพพระอริยสงฆ์จริงแต่สินห้าไม่ครบอย่างนี้ถือว่ายังไม่ถึงยังเขารับเคารพไตรสนาคมยังไม่จริงจังยังไม่ครบถ้วน แต่ก็มีความจำเป็นบางคนบางอาชีพ <c oughs> บางอาชีพจะต้องฆ่าสัตว์ชีวิ ต, ตอย่างทำได้ทำส่วนเป็นต้น <c oughs> ต้องใช้ยาฉีดฆ่ามแมลงอันนี้ก็เป็นโทษปานาาิบาตรฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ยอมรมบรก อันดับแรกจิตจับพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไ้ก่อนค้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนการนึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของจิตที่จิตเป็นสมาธิก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธแล้วก็อย่าภาวนาเฉยๆนะจิตใจยอมรับรับผือด้วยความเคารพด้วยหัดฝึกอารมณ์ ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่โทวาระหนึ่งจะมากหรือ น, น้อยก็าตามเอาแค่ที่เป็นสุขพอจิตเริ่มฟุ้งซ่านเราก็เลิกโดยเฉพาะอย่างยิงย่งเวลาที่มีความสําคัญก็คือเวลาก่อนหลับตอนนี้อย่าลืมมันจะเหนื่อยแสนเหนื่อยมาจากไหนก็าตามก่อนหลับเราจะลืมไม่ได้เมื่อที่สะถึงหมอน ใจก็จับที่ตรงไม่ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกในว่าโทอย่างนี้ไม่ทําไม่จําเป็นต้องใช้เวลานา น, านถ้าเรานึกว่าพุทธให้ใจเข้าโท่ให้ใจออกหลับเลยก็ยังดีใหญ่คือทําไม่ถึงหลับทว่าทําไม่ถึงหลับก็หมายความว่าถ้าจิตสงบยังไม่ถึงฌานสมาบัติจิตจะไม่ยอมหลับ ถ้าจิตสงบถึงฌานสมาบัติจิตจะหลักทันทีขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั่นอยู่ต่อเวลาที่หลับทันี้เมื่อตื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกไปไหนถ้ายังไม่สะ บ, บูตรจระประชวะยังไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งก็ได้ไม่จำเป็นติจะเกื่อ น, นอนแบบนั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธเจ้ออกนวโท ถ้าทำอย่างนี้เป็นปกติจนกระทัง่งเกิดอาการชินต่อไปวันไหนไม่ได้ทำวันนั้นมีวมความงทานจำเป็นต้องทำอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้ทรงชาในพุท ธ, ธ, ธานุสิกรรมฐานเวลาจะตายบาปต่างๆจะไม่สามารถจะเข้ามาครอบพรมจิตได้จะมีแต่บุญอย่างเดียวเข้ามาอยู่กับจิตเมื่อบุญเข้ามาอยู่กับจิตบาปก็เข้าไม่ได้ ตุนต่างๆที่เราทําอาจจะยังไม่ปรากฏภาคแต่ภาคที่ปรากฏจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าก่อนตายถ้าเราเห็นพระเจ้าก่อนตายถ้าจิตรงตัวอย่างนั้นตามบาลีจะบอกว่าไม่ได้เกิดบนสวรรค์เป็นชมถ้าถึงเวลาจิตําคัญไม่ทําไม่ได้เนี่ยจะต้องทําเล็กมากก็ได้เล็กก็ได้ต้องทำหน่อย อย่างนี้ถ้าเจิตทรงฌานตายเป็นมรหมถ้าบังเอิญขณะที่เราภาวนาวัคคีโตเวลาด้านจิตก็พร้อมใจกันเวลาอื่นก็ตามจิตมันคิดรู้ว่าการ เ, เกิดเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ก เ, เกิดเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมกมม็มีความสุขโชคราวเมื่อหมดวุวาสนบะบา ร, รมีก็ต้องกลับเป็นทุกข์ใหม่เราเป็นการเราต้องการนิพพาน ถตาจิตมีความต้องการนิพพานเป็นอารมณ์ขณะที่จิตใกล้จะตายเวลานั้นทุกขเวทนาจะดับทุกขเวทนาต่างๆทีค่ครอบครงเรายอยู่ที่ป่วยมากๆมันมันจะหมดไปจิตใจจะมีความฟุ้งเฟือนเพาะรูปพระพุทธเจ้าที่เราเห็นถ้าเวลานั้นถ้าจิตอยาิ น, า น, นิพพานเราก็ต้องการนิพพานถ้าเวลานั้นอารมณ์ต้องการนิพพานเป็นอย่างเดียวถ้าจับดับจิตเวลานั้นเราก็ไปนิพพาน ประดมความว่าการปฏิบัติเอาแบบง่ายๆดีกว่านะเวลานี้ฉังก็แก่มากแล้วอายุ ก, ก็น้อยลงไปแล้วปันญาลายก็เหลือไม่มากการจะแนะนํากันก็ขอแนะนําเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดตัวอย่างที่เราจะ เ, เห็นง่ายๆอย่างถ้าไม่ไดกุณฑลีเทพบดถ้าไม่ได้กุณฑลีเทบทุต ร, ปรเป็นมิจฉาทิฏฐิคือว่าเป็นธรรม ไม่ไหวพระพุทธเจ้าไม่ใส่บาทไม่เคยฟังเทศเวลาใกล้จะาตายจริงๆจิตใจรูจท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าขอไม่ช่วยหายโรคภัยใข้เจ็บเวลาก็ตายเวลานั้นถท่ากิบเป็นสวรรค์ท่านเดาถึงเทวโลกต่อมาในฐานะจะเป็นเทวดาได้ฟังนางฟ้าได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศกิกันเดียวก็เป็นพระโสดาบันไม่แค่เขานึกไปเดียวเดียว สำหรับเรานะั้เป็นเดือนเป็นปีใะไรสงย่อมดีกว่านั้นอย่างคนที่ทําบาปก็ดูตัวอย่างท่านนึกไม่ออกแล้วตัวสมปติจิตาเทพประมุขคนนี้เลวที่สุดในเรื่องการทําบาปขึ้นชื่อว่าบาปทุกอย่างที่เว้นไม่เคยมีแม้แต่การทําบุญสนทานก็ไม่ทํา คนอื่นก็ทําบุญจะมีทำการขัดขวางเขาทําบุญเห็นแล้วแก้งทําไปไม่เห็นได้ยินแล้วแก้งทําไปไม่ดียิแก้งส่งเสียงกบทำเป็นนั้นว่าชิ้นห้าไข่ครับก็หมดสิบไข่ครบธรรมะที่เป็นโทษขา่ครับทวนไม่มีอะไรเหลือเป็นเวลาก่อนจะตายจริงๆมองเห็นพัญยาดับจิตดาสะถ้าถ้าท่าจะมีหญิงชาย ก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเขามีความห่วงใยในเราแต่ไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาภาระไปได้เรานึกเห็นมีองค์เดียวคือพระสมณะโคดมเพิ่งจะรู้สึกตัวมาตายรู้จากมาหลายสิบปีที่ไม่ไมเคยไม่ได้ยกมือไหว้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้ญญาขอให้ช่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บโรคมันก็ไม่หายตายไปดานั้น ก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวถึงเทวดาโลกเป็นเทวดามีวิมันทองคําป็นที่อยู่เป็นนางฟ้านางพันธ์เนบริวารแต่ก็เป็นเทวด า, าที่เต็มด้วยความประมาทต่อมาอายนักก า, ศารศึกษที่พระบุตรแนะนำว่า อ, อีเจ็ดวันท่านจะตายแล้วถ้าตายแล้วท่านจะไปไตรนึออกเอาเองในฐานะที่มีอารมณ์เป็นทิพย์ ก็ตรวจว่าถ้าเราตายแย่างความมรรยาดาะไปไหนก็ทราบว่าสายบาปเก่าๆที่ทำไว้ทั้งหมดมันเป็นบาปทุกขั้นทุกตอนเต็มขั้นหนักมากต้องไปเกิดในเวทีมหานรกเพื่อผ่านนรกบริวารที่สี่ขุมด้วยมาทนรกของที่หนึ่งโยมนรกนรกสิขุมตกหมดมาเป็นเปษห้าร้อยชาติ เขาโทษมาเป็นเปรตเป็นส่วนกายเป็นสัติฉันเป็นสัติจฉาห้าร้อยชาติเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นคนหูดอกห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติจึ่งจะมาเป็นคนปกติเมื่อทราบไดฟความ่ทิ้ก็ตกใจขอให้อาการจารีที่ช่วยถ้าอาการจารีแล้พาไปหาไปยิ่ง อิก็บอกว่าช่วยไม่ได้มีพระเจ้าเรียกช่วยได้ก็พาไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงทราบจึงเว่นจากการเพศอนิธรรมเทศนาอนุทิฏฐิชัยสูตรขอจบเธอก็เป็นพระโสดาบันก็แปลว่าบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษได้พระโสดาบันได้ทนรกไม่ได้ทนรกไปดับเวลานี้ก็ยังเป็นเทวดาพระโสดาบันอยู่ ท่านดาวดึงก็เป็นว่ามีทางทางเดินทางเข้าใกล้เข้าห า, านุาัฏฐานฉะนั้นญาติโยมบริษัทบางท่านที่ไม่สามารถจะรักษายสิ่ห้าได้ครบถ้วนก็จับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่ง ท, นนทุต า, านรศติธรรมฐานญาติทิงพระพุทธเจ้าแล้วจากการที่สองทุกท่านถวายสังฆทาน สังฆทานนี mantra, ้ม um, ีสมมากกว่าถวายทานพระอรหัน hmm. ต <c oughs> ์ถวายทานพระอรหันทร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานพระปฏิเสธพเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานพระปฏิเสธพรเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานพระสมเด็จพระสัมมาฯพระเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานพระสมเด็จพระสัมมาฯพระเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งให้ทุกท่านจับอารมณ์พระสังฆทานเขาไว้ าภาพสังฆทานที่เราเคยทําในภาพแบบไหนมีอะไรบ้างถ้าเราเคยถวายสังฆทานแล้วในชีวิตนี้จับอารมณ์ให้ทรงตัวการจับอารมณ์สังฆทานมีสมากกว่ถวายทานพระอรหันต์ธรรมยานเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าพระท่านติดสะท่านติดสระใช่ชก่อนท่านเป็นคนฆ้านกสำหรับขาย ยกบางตัวบางส่วนที่เหลือจะวันพุ่งนี้ถ้าจะย่างไว้ก็ราคาถูกถ้าจะปล่อยไว้เดี๋ยวก็ู่ดินหนีหักขาซะบ้างหักตีซะบ้างทั้งอย่างนี้เป็นประจาวันไม่เคยทําบุญแต่วันหนึ่งบังเอิญมีพระอรหันต์ท่านไปเป็นตาบแต่ก็ไปรู้ว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ไม่เวลากัดตัวท่านไปเป็นตาบดที่นั่น ท่านติดสระก็มีความรู้สึกว่าเราทำแต่บาปมาทุกวัน <c oughs> คุณไม่เคยทำวันนี้พระมาปลดถึงบ้านเราใส่บาตรเทอะก็เรียกปัญญามาให้นำนกที่ยังเป็นป็ น, นกสดๆมาฆ่าแล้วก็แกงแกงอย่างดีที่สดุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ใส่บาตร็อาหัสไป ในชีวิตของท่านได้ทําบุญครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าเป็นการทาบุญกระเพรหาหันแม่นิสงมากแต่ก็ยังน้อยกว่าสังฆทานมากแล้วเกิดมาชาติหลังให้มาพระพุทธเจ้าขอบวชพอบวชแล้วไอ้กรรมเก่ามันก็มาสนองอันดับแรกก็เกิดตุ่มเล็กๆตามตัวทั่วสัวต้กตอตันเท้าไม่ใช่ไม่นั้นตุ่มมันก็ใหญ่ขึ้นเปนผลเท่าผลส้ม ก็ตุนแตกก็เป็นน้ำเหลืองลุกไปไหนไม่ไหวถ้าที่ปฏิบัติอยู่ก็ทิ้งแล้วเบื่อทำมันรู้่ไม่ได้ต่อมาตอนช้าตอนกลางตอนงคืนหัวค่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจปณิสัยพองสัตว์ก็พราว่าวันพวกนี้ติดสระจะตายแต่การตายพขาติดสระต้องตายเพราะอ น, นิพพาน ไม่ใช่ตายเฉยๆก็บุญเ ก, าก่าบางบุญปารมีเก่ามีที่เคยตวายทายพระอาหารหันต์ครั้งเดียวในชีวิตฉะนั้นตอนเชา้าพระเจ้ามาฉันเสร็จก็ออกจากวิหารทำทีไหมะว่าเดินไปเยี่ยมพระเดินเลี้ยวถนนบ้างเลี้ยวตรงนี้บ้างแวะถนนบ้างแวะทางนี้บ้างแตนน่ในที่สุดก็ตรงไปห้องของกดิษฐ เมื่อพระถึงพห้องพระติสสเห็นน้ำเหลืองกลางกลางผ้าน้ำเหลืองมันไหลมาติดผ้าจนแห้งตัวก็เต็มไปด้น้ำเหลืองพระเจ้าว่าทรงเปลี่ยนผ้าพรติสสะออกตั้งใจจะต้มแต่น้ำร้อนพอดีพระมาช่วยพระเจ้าจึงทรงเอาผ้าผ้าชุบน้ำอุ่นๆไปเช็ดตัวพรติสสะหายจากกังจากน้ำเหลือง นเมื่อร่างกายหายจากกลางจะน้าเหลืองแล้วก็รายกดติดสะก็มีความสุขขึ้นมาถ้ามีปีติที่อาศัยพระเจ้าช่วยพระเจ้ากระตุ้นแต่ก็ติดสะกอธิรังวัตยังกายโยร่างกายของเธอนี้ในไม่ชา้าวิญญาณก็จะไปปราดแล้วไม่คว่าจะหมดวิญญาณแล้วไม่ชา้าก็จะตายเมื่อร่างเมื่อจิตใจตายไปแล้วออกไปแล้วร่างกายก็ต้องทอดทิ้งเหมือนกัถอดไม้เทไรประโยชน์ ทัานแท้เปนแท่นี้นะถ้าร่างกายนี้ไหนไม่ฆ่าก็จะมีวิญญาณได้ตัดแล้วก ah ็หมายความไม่มีวิญญาณอยู่ให้เมื่อร่างกายไม่มีวิญญาณก็เป็นของที่ต้องเขาต้องทอดทิ้งไม่มีใครต้องการเหมือนก็ทอดไม้ที่ได้ประโยชน์ถ้าติตสัจจะฟังเพียงเท่านี้ได้กระหันพร้อมไปสมิธายานเวลานั้นก็ที่ผ่านทันทีต่อมาพระธรรมเจีกับพระสัจจะ ไปไหนพระเจ้าบอกปนิพันธ์ท่านถามว่าพระถามว่าพระติดสับปฏิพันธพระอาัศเมร่ยท่านบอกเมื่อฟังเทศจบนี่ก็เป็นอนว่าการถวายทานนั่นถวายทานกับพระอรหันต์มีบุญน้อยกว่าสารทานมากพระอาศุนติสมถวายทานพระอรหนันต์พระอรหนันต์มาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าแล้วฟังคําสอนพระเจ้าเราปฏิบัติตามแทนการ ทั้งสงฆ์พระพระรหันต์กังชื่อว่าเป็นการสงฆ์ครอบใจศาสนาคมทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์พระหนึ่งพระรหันต์มาจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มิตรไม่มีเจ้ากบวชไม่ได้เป็นการที่สองพระรหันต์ต้องทรงธรรมถ้าไม่ทรงธรรมก็เป็นพระรหันต์ไม่ได้เป็นการที่สามตัวท่านเองเป็นพระสงฆ์เป็นการถวายสังฆทานก็ถวายทานพระรหันต์ก็ชื่อว่าถวายทานทั้งสามอย่าง พ, พ, พแบบายยาระเจ้าด้วยก็ัตริย์โดยกษัตรย์หลวงโดยให้มันได้ญาติโยมพุะดุริษัตถ์แทจับพุโทโธก็จงอย่าลืมจักฐานบ布拉มีที่จะให้ถือสังฆทานจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พายท่านไปฏิภานได้โดยง่ายเหมือนกันแต่จงอยริลืมคิดตามความเป็นจนริงตาวิสัตถ์ว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ ความทัศชาติของรักของเศรใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะเกิดอย่างนี้อีกี่ชาติกจะมีทุกอย่างนี้ถ้าเาลยหันจะกลับไปหาสินก็จะหัไปทําไมเมื่อถือว่าเรามีสินไม่ครบถ้วนเราไม่สามารถจะปฏิพานได้ถ้าเราดูตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีสินไม่ครบถ้วนแต่เขาจับแน่นจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติ อย่างท่านติดจับจับแน่นในสังขารนสติแล้วกศกังฐานแล้วถานด้วยให้จกกับเกาะให้แน่นจริงๆเมื่อเวลาก็อย่าตายจิตอย่าลืมนิพพานต้องนึกไว้ทุกวันนิพพานนึกให้เป็นอจเป็ น, ปนอารมณ์ชินมาชินตัวนึกว่าถ้าตายจากโลกนี้มานใยขอไปนิพพานเมื่อนั้นให้จิตมันเป็นฌานที่เรียกว่าอุปสมามนติกามฐาน อย่างนี้ทุกคนจะไม่พลาดไิ่ผ่านเพื่อกาเกาติดนิมมานดาท่านพระติาัตบางท่านเกาะติดนิดเดียวต่พวกเรากาติดนานอย่างพระยศเมื่อตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องพระเจ้าวัดใหม่ๆพระยศทันฟังเทศจะพระเจ้าปแค่นิดเดียวก็ได้บรรลุประสดาบันพอตอนเช้าตู่พ่อไปตาม ไปถามหาพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะต้องการพรูบุพเพหลายฟังเทศดีกว่าพระเชทธเจ้าประเทศกันเที่ยวกันพ่อเป็นมัสโซดาบันพยศดารานทั้งนี้ก็ว่อาศัยบุญเก่าของพยศที่มีสภาพจิตเกาะติดเพีงแค่ชั่วครวู่ไม่นานไหมพวกเราเพราะว่าในชาตก่อนพยศจะพวกห้าสิบห้าคนเป็นสัพเพรสาธารณะ นิยามหมายความว่าศพศพผู้ใดเขามีความยากจนเฉยใจไม่มีเงินจ้างสักคนขณะนี้ก็จัดการเผาให้เสร็จจัดการได้เรียบร้อยต่อมาวันหนึ่งกำลังกินข้าวเย็นอยู่ก็มีคนมาบอกว่ามีภาพของศริกำลังท้องแก่ตั้งขา้า ต, ต, ตั้งขันด้วยขึ้นอืดลอยมาติดัยฝั่ง คณะสัปเร่อชุดนี้ก็ไปจัดการข่าศพเอาขึ้นเชีองตะกอนเอาฟืนไฟใส่ก็ทำมาเกิดทุกวันถ้าทราบว่าศพอย่างนี้เฟืนน่งขนาดไหนไมันจะไหม่หมดก็เฟืฟ่องเฟืนใส่เสร็จใส่ไฟเสร็ก็กลับมาบ้านต่อมามีคนก็เดินผ่า น, านทางมาเขาเห็นว่าไฟดับแล้วแต่ศพใหม่ๆท้งนี้ก็คนตายลอยน้ำมา ตัวอิ่มไปเียนน้ำ <c oughs> ไม่เหมือนคนตายธรรมดามันก็ไม่ไม่น้ำมันมากก็มบอกสับรษิษัทท่านพระยุทธก็ไปไปถึงก็มัทรามีความเข้าใจว่าพราะอาศัยมีร่างกายมีน้ำมากไปจึงไม่ไม่หมดจึงเชี่ยมไม่แหลมเข้าแล้วก็แทงตามตัวให้น้ำไหลจากร่างกายให้น้าที่มันไหลออกมามันไม่ไหลแต่น้ามันเลือดเหลืองไหลมาด้วย กันที่เหนือนว่าร่างกายของคนสกปกขนาดนี้เจ้าเลยถ้เกิดความเบื่อยหน่ายในร่างกายของคนแล้วก็จัดการเขาศพแล้วได้เบอร์บอกเพื่อนอีกห้าหรืห้าคนนั้มาดูเหมือนกันต่างคนแต่งก็สรดจิตคิดว่าร่างกายของคนจะเป็นผู้หงก็ตามบู้ชาเกาตามมีสภาพสกปกอย่างนี้เหมือนกันทุกคนก็เกิดนี้กิทา ย, ยานความเบื่อยหน่ายในร่างกายจะเบื่อไม่นานนะเบื่อไม่ครบวันก็เลิกเบื่อ คือแม้ ว, ว่าจะไม่อารมณ์จะติดแค่นี้เดียวเป็นแค่นี้ท่านหลังมาคือเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัตรขึ้นพระยศก็มาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีไอ้วันที่บา ร, รมีเก่าที่จะเข้ามาถึงเพราวันนั้นตื่นมาตอนดึกเห็นคนในบ้านเป็นศพไปหมดตังเกียรตคนทุกคนในบ้านวันก่อนๆเห็นว่าใสสวยเงามเพราะฉะนั้นเห็นศพไปหมดพระบอญเก่าเข้ามาถึงก็ออกจากบ้าน เปลี่ยนวาจาว่าที่นี่วนวายหนอที่นี่ใครข้องหนอพอดีเวลานั้นเป็นเวลาใกล้ทช้าตรู่พรเจ้าของจงกรมดักอยู่พระเจ้าทองราบเมื่อเข้าไปใกล้ทางบอกว่ายศที่นี่ไม่วนวายที่นี่ไม่ใครข้องเราจะมาที่นี่เรจะเทศแต่ฟังเมเข้าไปถอดหมวกถอดรงองเท้าเขาแจกวัตถุเสด็จทางทานท้งเสวนาสวรรค์เป็ น, นต้นในอันดันสนนบสองการบวชโพษของกาม ถ้าฟังเทศจบท่าเาเป็นพระโสดาบันเห็นไหมเขาติดในเดียวแต่พวกเราที่ติดเป็นปีเป็นเดือนดังนการหวังนิพพานจะไปขอได้ง่ายราบันดาท่านก็จะไปสัทวทั้งหลายเวลา ย, ยังไม่หมดนะตอนนี้ไปก็ขอผู้อิทิ์หนึ่งปันนี้พอไม่มีแรงกินข้าวได้หน่อยนึงพอมีแรงคนที่มีความประมาทในชีวิตอย่างท่าน ก็อ่าใครวะก็เตอร์ใช่คิว่ากุมารพัฒน์จะนึกคิดไม่ออกไงถ้าใช่คิีว่ากุมารพัฒเป็นจริงจริงท่านเป็นคนที่มีความประมาททางเทศจะเพื่อเจ้าจบเดียวเป็นระโสดาบันถ้วต่อมาความประมายก็เกิดขึ้นท่านเป็นหมอที่เก่งที่สุดแต่ท่านก็ลืมความเป็นจริงท่าคิดว่าท่านจะตายก่อนพระพุทธเจ้าต่อมาเมื่อพระเจ้านิพพานไยก่อน ก็เสียใจมากคิดว่าเราเป็นคนบาปมีความทรงตัวแค่ระโสดาบันเราคิดว่าเราจะตายก่อนพระพุทธเจ้าอาศัยพระเจ้าเป็นเครื่องเปลือไปในพานทะนี้พระเจ้าในพานที่ก่อนเราก็เป็นคนไม่มีอะไรแล้วคิดตัดสินใจว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายอดพัญญาไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเราไม่ต้องการมาอีก เมื่อเผาพระเจ้าเสร็จก็ไปชาบ้านเข้าป่าไปอยู่ในถ้าไม่ไปอยู่ในถ้าที่ไม่ลึกนักก็มีคนตามไปขอยาถ้ามันงงคาเน่ยลยเข้าถ้าลึกมากจบฝันลึกก็เป็นที่ไมายควาคนไปไม่ถึงตั้งใจนอนตรงนี้คิดว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรร่างกายไม่มีความหมายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราไม่ใชตายก็ช่างมันในเมื่อพระเจ้านิพพานแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ ถ้าอารมณ์อย่างนี้นปัญญาสมพุทธบริษัท เ, เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีแต่ร่างกายร่างกายไม่มีแต่เราอันนี้เป็ อ, รอารมณประดานแล้วท่านก็ไม่สนใจท่านก็นอนจะแขงขวาหันหน้าเข้าหาฝักฝาถ้ำเวลานั้นใจกดมีแสงคล้ายๆแสงฟ้าแรกและเสียงมันฟ้าผ่าถ้าก็ได้เสียงกล้องหรอ โกมรรพัทเธอเป็นสาวกของพระเดชพระสัมมาพ ร, ระเจ้าใช่ไหมถ้เาเราตอบว่าใช่เสียงนั้นก็หายไปถ้าเราคิดตัดสิ้นใจไปนี่ว่าเราจะตายตรงนี้เราไม่ต้องการร่างกายนี้ต่อไปอีกเราเป็นคนไม่มีบ้านแล้วมีคนไม่มีสมบัติไม่ต้ร่างกายเราก็ไม่ทำการไม่อีกเขาคิดอย่างนี้เสร็จจะมีเสียงมันฟ้าผ่ามีเสียงไฟเล็กเป็นกันเสียงสะขานตามแต่โกมารพัท แต่อเปสาวพระโกองทุนในตสัมมาวุฒจ้าชัยหมายจะต่อไปใชัยเพียงแค่สามครั้งพอครั้งที่สามท่านบอกท่าได้ลหลับเลยคําว่าหลับก็หมายถึงว่าเป็นพระราหันไปผ่านั้งว่าบรรดาแท่พุทธบริษัททุกท่านที่ยังทําตนไม่ถึงพระโสดาบันก็ดีไม่ถึงพระาหารหันก็ดีในตอนตอน้นไทยมีความประมาทอยู่บ้างถา้าตอนไทยไม่ประมาทอย่างท่านโกมารพัฒ ให้มีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ของเราก็ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ตายไปแล้วแต่เราจะไปอยู่แค่ไหนชี้ก็เรากต้องตายเช่นเดียวกันถ้ายังั ห, งหลงร่างกายอย่างนี้ ก, ก็ต้องเป็นไปแต่เกิดนามตารของสารท่านที่ดีเราไม่ควรสนใจในร่างกายแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปจะเชื่อโมารพัฒนเป็นแต่เพียงคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีความเคพพระพุทธเจ้าประรรมพระอริยสงฆ์ครบถ้วน ในการที่สองเรจะมีสิ่งครบถ้วนตนการที่สามเรจะมีพระนิพพานในอารมณ์เราจะไม่ติดร่างกายภายในในร่างกายของเราไม่ติดร่างกายภายนอกในร่างกายคนอื่นไม่ติดทุกอย่างในโลกแต่ทุกอย่างในโลกมันจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเราตายจะด้มันก็หมดไปทรัพย์สมบัติต่างๆไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถจะคงสมบัติต่อไปได้เราต้องการสุดเดียวพรนิพพาน ธรรมดายแยกโยนบริษัททุกท่านมันนี่ก็ทนเต็มทีในเอลายสาวนาทีตอนนี้ไปหัวทุต่านตั้งใจสมาทานสีบสมาทานองสมาทาน